บันี้จากแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนิย่าแห่งคํากล่าวยกจ่องสนเสริญพระพุทธเจ้าของท่านเมตตครูนั้นในข้อต่อไปท่านกล่าวว่าท่านเชื่อว่าพระพุทมีพระภาคเจ้าทรงรู้ซึ่งบาปธรรมทั้งหลาย คบาปประรมที่ท่านหมายถึงเฉพาะในทีนี้ได้แก่กิเลสเจ็ดประเภทด้วยกันคือส ก, กายทิฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาคือเป็นเราเป็นเขาจนกลายเป็นพวกเราพวกเขาไปเรื่อยๆวิจิกิจฉาความคลุกค่ังสงสัยลังเลใจไม่แน่ใจในเรื่องต่างๆ าาศีลปตปรมาตการถือมั่นโดยศีลโดยวัดโดยข้อปฏิบัติต่างๆที่ม่ยุติด้วยเหตุผลและความดีหรือแม้บางอย่างจะเป็นการยุติด้วยเหตุผลและความดีแต่ถ้าเป็นการยุติด้วยอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงก็ชื่อว่าเป็นอาการของความยึดถือในลักษณะนี้ราคาเดือการที่จิต มีความกำหนัดรักใคร่อินดีในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งจิตของบุคคลนั้นนั่นเองไปกำหนดว่าน่าใคร่น้าปรารถนาหน้าพอใจโทสะความประทุษร้ายซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลเนื่องจากการกำหนดหมายสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของตนมีการผ่านมาทางตาเป็นต้น ว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่สวยไม่งามไม่พอใจด้วยความรู้สึกปักใจในสิ่งนั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็กลายเป็นโทสะคือความประทุษร้ายบางครั้งก็เกิดเฉพาะภายในจิตหรือดแรงออกไปก็ออกมาทางวาจาบั้งทางกายบั้งตามสมควรแก่กรณีโมหะคืออาการความหลงความมืดบอดซึ่งเริ่มต้นมาจาก ความมืดบอดในด้านสติปัญญาความไม่สามารถจําแนแกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรความไม่รู้จักบักบุญคุณโทษแลออกมาในรูปของความหดหู่เคลืค่อที่มันเกิดขึ้นภายในจิตความพุ่งสั้นสัสายไปของจิตโดยไม่มีทิศทางที่แน่นอนตลอดถึงความชาเย็นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจการความกระตือรือร้น ขาดความยินดีในความดีทั้งหลายและอาการเคลือบแคลงสงสัยซึ่งได้กล่าวในวิจิกิจาร์อาการต่อไปก็คือมานะได้แก่อาการกระด้างภายในใจที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นจิตสันดานของบุคคลผู้นั้นส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการปรารบสิ่งที่ตนคิดว่ามีเหนือกว่าคนอื่นในปัจจุบัน เช่นรูปร่างสถานะทางเศรษฐกิจสถานะทางสกุลวิชาความรู้ยศชั้นตำแหน่งต่างๆของตนเป็นต้นกิเลสประเภทที่เรียกว่าบาปประธรรมเหล่านี้เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำจิตใจของบุคคลให้เศร้าหมองพระบูมีพระภาคเจ้าทรงบรรลุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยประยาที่สำคัญคืออาสวัคขยานพยานที่ทำให้กิเลสประเภทต่างๆมีชื่อต่างๆในลักษณะต่างๆหมดสิ้นไปจากพระไทยของพระองค์และปะเกิุณอันนี้ก็แพร่กระจายไปในทิศต่างๆ <c oughs> จนเป็นเหตุให้พราหมณีส่งมานพผู้เป็นสิทธิ์ทั้งสิบกคนพร้อมด้วยปฏิวารมาขว้าวกรกาบทูลถามปัญหา แต่จากความรู้สึกของท่านเมตตากูนั้นแสดงให้เห็นว่าท่านศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในส่วนเหตุคือกระจัดกิเลสได้ในส่วนผลคือเข้าถึงเวทจะคูคือเข้าถึงฝั่งแห่งเวทดังที่เคยกล่าวมาดลวปณญหาที่ควรแก่การศึกษาการพินิจพิจารณาเพื่อปฏิบัติตามรอยบาททุคนของพระพุทธเจ้า ก็คือความพยายามที่จะรู้ถึงบาปประ ร, รมทั้งเจ็ดกองนี้การรู้นั้นในเชิญของการปฏิบัติแล้วต้องรู้ทั้งตัวของสิ่งเหล่านั้นซึ่งมีนัยยะดังที่กล่าวได้และรู้ถึงเหตุเกิดเหตุเกิดของกิเลสนั้นมีทั้งส่วนที่เป็นภายในและส่วนที่เป็นภายนอกคือเกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของบุคคลด้วยเหตุที่เป็นภายในนั้นแน่นอนเหลือเกินว่า ได้แก่อวิชชาซึ่งเป็นรากงาวของกิเลสทั้งหลายและการของกิเลสทั้งหมดที่ทั้งกล่าวถึงเฉพาะในทีน่นี้ก็เป็นกิงก้านสาขาของความโลภความโกรธความดองเพราะในแง่เหตุเกิดที่เป็นปัจจุบันธรรมความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนนั้นเกิดขึ้นมาจากความหลงผิด ในความจริงแข่งชีวิตซึ่งอาจจะมืดบอดรุนแรงหรือว่าเบาบางก็ตามอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าในแง่ของความจริงแล้วเมื่อกล่าวโดยความจริงที่แท้จริงนั้นไม่มีอยู่ทั้งความเป็นเราความเป็นของเราและความเป็นตัวเป็นตนของเรามีอยู่ใดขั้นสมมติบัญยัติเท่านั้นเองและแม้ในขั้นของการสมมติบัญยัต ถ้าก็บุคคลเข้าใจก็จะยอมรับถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนของสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามแต่เมื่อเกิดความหลงผิดเข้าใจผิดมีการทะนุถนอมตัวเองมีความเห็นแก่ตัวมีความรักพักพวกรักพวกรักพ้องรักตัวเองชนี้ความคิดในลักษณะนั้นก็เกิดขึ้น เวลาเกิดขึ้นจึงมีอันตรายเพราะยามไปเกี่ยวข้องกับใครก็ตามจะกำหนดเป็นพวกเรากับไม่ใช่พวกเราในกรณีที่กำหนดเป็นพวกเราใจก็กระหนัำเพื่อปรินยินดีรักใครพร้อมกับความหวงใจวิตกกังวลจึงแฝงเร้นอยู่เบื้องหลังของความรักใครเช่นชมยินดีเหล่านั้นแต่กำหนดหมายว่าไม่ใช่พวกเรา ความรู้สึกขุนข้องมองใจไม่พอใจหวาดระแวงวิตกกังวลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นก็บังเกิดขึ้นซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นขยะทางอารมณ์ที่ก่อให้เกิดอาการหมักหมมภายในใจถ้ามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปบวกกับเชื้อที่มีอยู่ก่อนแล้วภายในใจพฤติกรรมต่างๆก็จะมีการทำลายล่างกันอย่างที่พบอย่างที่เห็น พิจิกิจจ์คความเครือแคลงสงสัยนั้นตัวการที่ให้เกิดขึ้นนอกจากเขตที่เป็นภายในเพราะเป็นสายของอภิจจ์เหตุที่เป็นปัจจุบันนั้นก็คือการที่บุคคลไม่ใช้หลักของโยนิโสมนัสิการคือการพิจารณาตรายจองสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในชีวิตของตนอย่างยุติด้วยเหตุผลและความดีบางครั้งบางคราว มีข่าวบางเกิดขึ้นก็เกิดความครุ้บคลั่งสงสัยในเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลได้ใช้หลักคือพิจารณาการโดยเหตุดุจผลเทียบเคียงอย่างหลักฐานต่างๆเมื่อไม่มั่นใจในเชิงเหตุผลก็สอบถามเรียนรู้เทียบเคียงกับหลักเกณฑ์ต่างๆก็สามารถบรรเทาได้แต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้น สิเหล่านี้ก็จะบังเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปซึ่งพระพุทธเจ้าท ร, ทรงแสดงว่าเป็นอันตรายขนาดใหญ่ที่ผู้ปฏิบัติ ธ, ธรรมจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าตัวตวิจิกานั้นเป็นกำแพงขวางกั้นกา ร, ป, รปฏิบัติอยู่ตลอดเส้นทางของชีวิตเริ่มต้นมาจากความเครียบแครงสงสัยในพระพุทธเจ้าก็เข้าสู่ศาสนาไม่ได้แล้วและในการ ป, รปฏิบัติจะสงสัยในผลของทานของศีลก็เดินหน้าไม่ได้แล้ว ในขั้นขอทํามสงบใจแต่ยังมีความสงสัยอยู่ใจก็ไม่สงบได้และในขั้นของการบรรลุมรรคผลหรือการบรรลุสมาธิเป็นต้นถ้ายังมีความสงสัยอยู่ ส, ส, ย ส, ส, ยยสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ประการที่สามสีลพัตปรมาเกิดขึ้นจากโมหะคือความหลงด้วยได้เกิดขึ้นจากทิฐิคือความดื้อรั้นต่างๆด้วย เกิดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรณีนั้นๆศิลปัตปรามาสเป็นความเชื่อถือในลักษณะที่งมงายร้าเหตุผลต่างๆเป็นความเชื่อถือปีหลวงเหลาเหล็กอยู่ในทิศนั้นๆจะต้องให้ความเคารพสักการะไปในทิศนั้นๆแล้วก็ผีหลวงเหลาเหล็กนั้นดูเหมือนจะมีอยู่ทุกทิศหันหลังให้บอกว่าไม่เคารพซึ่งเรามองกันง่ายของความเป็นจริงเราหันหน้าให้ผีหลวงตนหนึ่งมันก็ต้องหันหลังให้ผีหลวงตนหนึ่ง จึงก็คงคันหลังให้อยู่ตัวหนึ่งนั่นเองดังนั้นการกระทําในลักษณะนี้จึงก่อให้เกิดอาการอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คําว่าปัปัญจะธทำโมคือธรรมะเป็นเอเสตในเกิดความเลื่อนช้าเราคอยเลิกภานาทีเลิกดีเลิกไม่ดีอะไรพร้อมหมดทุกอย่างแล้วเลิกยังไม่ดีเลิกกลายเป็นไม่พร้อมทั้งทั้ที่เลิกดีมานานแล้วคือความพร้อมนั่นเองเป็นตัวเลิกดีแต่แม้จะเลิกดียังไงถ้า ไม่พร้อมมันก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีอยู่นั่นเองแต่เราถึงความยึดติดในลักษณะต่างๆอำนาจอิทธิพลของดวงดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเรามองไม่เห็นตนถึงบางครั้งบางคราวศาสนาไม่ได้ปฏิเสธแต่ศาสนาก็ไม่ไปยึดติดอยู่ในเรื่องเหล่านั้นถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของธรรมชาตินั่นเองมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดา แต่บางครั้งบางคราวในระยะนี้ก็มีข่าวพระเสาอะไรขับย้ายอะไรก็ไม่รู้กว่ากันไปมีธีพลมาเล็งอย่างนั้นเล็งอย่างนี้พระเสวก็มีเสาเดียวไปเล็งให้วุ่นไปหมดแล้วคนก็ไปเดือดร้อนซึ่งเราจะเห็นว่าพฤติกรรมเหล่านี้ได้เคยเกิดขึ้นในโลกครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็จริงมันก็เป็นอย่างนั้นเองโลกมีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัย ไม่ได้เกี่ยวกับประสุ ข, ข้าวประเสาแท็กประระหูกำบงังไรแต่ประกันใดจะเกิดขึ้นจากจิตใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นไปยอมสยบไปยึดติดแก่สร้างเงื่อนไขขึ้นมาต่างๆในลักษณะ ส, สร้างผีขึ้นหลอกตัวเองแล้วก็กลัวเองตัวสั่นเองแล้วก็ป่วยเองนะผมกลนเองคือทำเอาเองทั้งหมดนั่นเองลักษณะเหล่านี้เป็นอาการของศีลับพรตปรมาร์แต่แม้แต่อาการที่บุคคลไปยึดมั่นถือมั่นด้วยชั้นของการประพฤติปฏิบัติ ต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ถูกต้องซึ่งพระพุทธเจ้าทรงชช้คำมาเลยว่าการยึดถือว่าสัตว์จังอภิเนิเวสะสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงก็ถือว่าเป็นอาการของศีลปัตตพรามาดดังนั้นจะพบว่ากิเลสสายนี้มีลักษณะโยงใ่เป็นอย่างเหนียวที่ยึดเหนียวใจิตใจของบุคคลเอาไว้โอกาสที่จะสลัดหลุดนั้นจึงทําได้ยากเว้นไว้แต่บุคคลได้พยายามเปิดใจให้ฟัง ใช้หลักของโยนินโสมนสิการคือปัญญาเป็นเครื่องเจียบเคียงพินิษพิจารณาโดยนัยยะที่กล่าวแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือไม่ติดในรูปแบบหรือพยัญชนะมากจนเกินไปแต่ให้มองเห็นถึงป้าหมายถึงเนื้อหาถึงประโยชน์ที่พึงจะได้จากสิ่งแบบนั้นปนัญหาเรื่องศิลปธรรมาสตรก็จะจางลงไปได้ประการต่อไปก็คือเรื่องของโลภะดุ ร, ราคะา โลภะกับราคะนั้นที่จริงเป็นกิเลสสายเดียวกันการพูดของท่านเมตตสกูเป็นการพูดกับพระพุทธเจ้าต่านจึงชช้คำว่าราคะกิเลสทั้งสองกองทั้งสองชื่อ น, นี้ไม่ใช่สองกองนี้คือกิเลสประเภทเดียวกันนั่นเองเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงกับชาวบ้านทรงใช้คำว่าโลภะเวลาแสดงกับพระมักใชก้คำว่าราคะ เพราะอะไรเพระว่าการปฏิบัติของพระนั้นบีบด้านโลภะเอาไว้แต่ไปอาจจะไปป่งในด้านราคะชาวบ้านนั้นปัญหาเรื่องราคะไม่มีเพราะมีคู่ครองปัญหาราคะไม่มีมากไม่ใช่ไม่มีแต่จะมีปัญหาเรื่องโลภะคือโลภอยากได้อยากมั่งคั่งในเรื่องต่างๆดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เน้นไปที่โลภะที่จริงก็เป็นอาการอย่างเดียวกันกิเลสประเภทนี้เกิดขึ้นจากการกําหนดหมายอารมณ์ อารมณ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติทุกคนทุกแห่งกเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยของธรรมชาติเกิอยู่กกิเฉยแต่ตราบใดที่คนไม่ไปกำหนดหมายว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้มีค่าสิ่งนี้มีประโยชน์สิ่งนั้นก็ไม่สร้างอิทธิพลสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นแก่า จ, ากจิตใจของบุคคลคล้ายกับว่านสเสนจันเขาเขียวหนุมานเว็ต้น หรือไม้ตะโกดัดแกมีข้งแกอยู่อย่างนัง้นเองตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่วันใดขึ้นใดคนเกิดกําหนดหม า, ายขึ้นหลายคนพราะสิ่งนี้น่าครายน่าปรารถนาน่าพอใจพอจํานวนแกเกิดจํากัดขึ้นมาความต้องการของคนมากก็มีการซื้อหามีการตั้งราคากันและถ้าหากว่าตั้งราคาแล้วยังไม่ได้ไอความอยากมันเกิดแรงก็ต้องขอโมยกันนั่นคือลักษณะความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่เกิดขึ้นจากการกําหนด กำหนดเราเองแท้ๆ แ, แกอยู่ขกันแกอย่างนั้นเองแล้วพอเลิกกำหนดขี้วันุมาณปัจจุบนันก็เอามาถมทถนนั้นจันเดียร์จันขาวจันแดงจันอะไรก็อยู่อย่างที่แกอยู่ดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลยังกำหนดอยู่รูปสวยอยู่เสียงไพเราะ อ, อยู่กลินหอมอยู่รสอร่อยอยู่สัมผัสหน้าจะบต้องอยู่ราคะในวัตถุกรรมเหล่านั้นก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ได้ไปในด้านของโทสะ ก็อีกนั่นแหละโทสะมักจะมีสัตว์เป็นอารมณ์ราคานั้นทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของวุ่นไปหมดแต่โทสะมักจะมีสัตว์คือสิ่งมีชีวิตเป็นอารมณ์เป็นไวแต่คนที่จิตใจบกพร่องมากเกินไปอาจจะโกรธแม้แต่เดินไปสะดุดก้อนหินแล้วก็โกรธก้อนหินซึงตามปกติคนลักษณะ น, นี้มีน้อย ตนนแต่นันก็ยังถือว่าโทสะนั้นมีสิ่งมีชีวิตเป็นอารมณ์จะโกรธจะไม่พอใจในสิ่งมีชีวิตแต่ว่าขึ้นอยู่กับความแรงของโทสะถ้าคนที่แรงมากโกรธได้แม้แต่สัตว์แม้แต่ยุกยุงแม้แต่มดแม้แต่แม้แต่อะไรแต่ถ้าหากว่าคนที่โทสะจังเขาก็ไม่ถือสาหาความกับสัตว์ดีไลฉานทั้งหลายและอาจจะไม่ถือสาหาความกับเด็กเล็กๆและอาจจะไม่ถือสาหาความกับคนบ้าคนเมา มาถึอสาความกับคนใหญ่หรือคนที่กําลังจิตใจผิดปกติเึ่งโกรธจัดโลบจัดเป็นต้นซึ่งแสดงว่าโทสะมันจางแต่ถ้าโทสะไม่จางโทสะเกลเข้มข้นเฮ้ยจะโกรธสเปะสปะจะปัททุสไลส์สเปะสปะไปหมดไม่รู้จะทําอะไรถูกมัดถูกมดแดงกัดเข้าตัวเดียวโกรธเผามดแดงหมดทั้งรังเลยหรือว่ายุงกัดกระตัวจนจิตตายหมดทั้งห้องเลย นี่แสดงถึงโทสะมันเกิดมากเกิดรุนแรงไปก็มีการกําหนดและลักษณะลามปั่มคือกําหนดที่จึงยุ่งกัดตัวเดียวแต่กําหนดหมดเลยกําหนดเป็นศัตรูหมดเลยเราต้องฉีดให้ตายหมดสิ่งเหล่านี้ท่านจึงเกิดบอกว่าเกิดขึ้นจากปฏิฆะนิมิตคือการกําหนดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ไดีสิ่งเหล่านั้นเป็นศัตรูเป็นอันตรายที่จะต้องทําลายล้างแล้วขึ้นอยู่กับ ปริมาณของการกำหนดว่ากำหนดแรงขนาดไห น, นถ้ากำหนดแรงการล้างผลาญออกมาและกษณะต่างๆก็เกิดขึ้นและพึงสังเกตว่าเกิดขึ้นจากการกำหนดจริงๆเพราะว่าบางครั้งบางคราวเช่นว่าคนเกิดทะเลาะ ก, กันมีโทสะทะเลาะ ก, กันเสร็จแล้วมีผู้ใหญ่มาประณนีประนอมกันให้จับมือกันกำหนดใหม่เป็นเพื่อนกันประดับมือก็กำหนดใหม่เป็นเพื่อนกันอาการโทสะก็หาย กลายเป็นความรักกลายเป็นโลภไปและบางครั้งอาจจะรักมากจนกลายเป็นโมหะเพิ่มเติมไปด้วยนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของจิตที่เกิดขึ้นจากการกำหนดอารมณ์ในแต่ละขณะถ้ากับกำหนดในแนวของปฏิฆะนิมิตคือไม่ไม่ดีอยู่เรื่อยๆไม่พอใจอยู่เรื่อยๆมองกันในแง่ร้ายเรื่อยๆและจะหาส่วนที่ดีไม่เจอ แต่ถ้าไม่กำหนดในลักษณะนั้นก็จะพบเห็นความดีของบุคคลอื่นซึ่งคนนี้จะเห็นว่าบางครั้งมีเมื่อมีการกำหนดขึ้นี่คนใดคนหนึ่งถ้ากำหนดแรงเกินไปเช่นว่าไม่ชอบคนคนนี้แล้วก็ลามปามขึ้นไปเบื้องบนไม่ชอบพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนนี้ไม่ชอบลงข้างล่างลูกหลานเหรนหลน่นองคนนี้แล้วเสร็จแล้วไม่ชอบหมดทั้งสะกุล ว่างๆขึ้นมากิเลสเพิ่มขึ้นไม่รู้จะทําอะไรก็หมองหมดทั้งจังหวัดเลยหมองหมดทั้งภาคเลยหมองหมดทั้งประเทศเลยนั่นคือการกําหนดเอาขึ้นอยู่กับรามขึ้นไปในลักษณะไหนแต่ถ้าแกลดก็จะแยกพ่อไม่ดีแต่ลูกไม่เกี่ยวพัวไม่ดีแต่เมียไม่เกี่ยวญาติพี่น้องเขาไม่เกี่ยวเขาให้ความเคารพนับถือเหมือนเดิมซึงแสดงมาโทรศัมันถูกขีดวงจํากัดไว้แม่ลูกหลาน ม, มันอยู่ในจุดของมันเท่านั้น แต่ถ้อยู่ในจุดแคบๆอย่างนั้นโอกาสที่จะดับมันก็ดับได้ง่ายนั่นก็ขึ้นอยู่กับการกําหนดภายในใจในแต่ละขณะทั้งหมดถ้าหยุดกําหนดเมื่อไหร่เชื้อจากภายนอกก็พอปางลงไปปัญหาที่จะต้องแก้ไขก็คือแก้ไขเชื้อภายในแต่นั้นเองา ก, การต่อไปก็คือโมหะโมหะนั้นเป็นจิตสันดานต้องอยู่ข้างในเป็นรากง้าของกิเลสทั้งมวล ก็ขึ้นอยู่กับว่าความขาดของสติและขาดของปัญญามากเมื่อขาดสติคือความมีความหลงมากขึ้นมีความเผลอเล ม, มากขึ้นขาดปัญญาก็ขาดการใช้ปัญญาขาดการพิพนิจพิจณามากขึ้นออกมาในรูปลักษณะต่างๆดังกล่าวแล้วทีนี้การรู้นั้นไม่ใช่บรู้เหตุเกิด อ, อย่างเดียวต้องรู้ความดับ ความดับก็คือความเยือกเย็นความสงบความหยุดกัดแกงดิ้นรนของจิตใจซึ่งคนนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องวิเคราะห์ที่จิตตัวเองในบางขณะในบางเวลาที่ตนสามารถสงบความเครือบแคลงสงสัยได้สามารถสงบความเป็นเราเป็นเขาได้พวกเดียวกันพี่น้องเดียวกันสัพเพศสัตตาไป จะเห็นถึงความเยือกเย็นความสงบที่ตนสัมผัสได้ในระดับหนึ่งถ้ามองเห็นได้สัมผัสได้ความอุสาหะที่จะสัมผัสสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะเกิดขึ้นทำนองบุคคลเริ่มชิมอาหารรู้สึกว่าอาร่อยและความพอใจที่จะรับประทานรับประทานอาหารนั้นก็จะบังเกิดขึ้นถ้าไม่มีก็ต้องขวนขวายหาอาหารนั้นมารับประทาน การได้ริมรถธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นรูปของความสุขความสงบภายในจิตก็จะมีลักษณะอย่างนั้นจันท้าอุสาหะที่จะสัมผัสผลสูงขึ้นก็จะเกิดขึ้นถ้าเกิดมากขึ้นกระบวนการของอิทธิบาททั้งสี่ก็จะเดินไปเต็มที่และมีความเข้มข้นถึงขึ้นโดยดำดับบุคคลก็จะสัมผัสความสงบนั้นมากขึ้นและจะต้องรู้ถึง วิธีการเพื่อจะดับบาปประธรรมเหล่านั้นเ ร, รือวิธีเพื่อจะให้รู้ถึงบาปประธรรมเหล่านั้นในด้านของสักยักกิจิติก็ดีวิจิกิษาก็ดีศีลปฏิประรมา ก, ก็ดีนั่นวิธีที่ถูกต้องที่สุดก็คือการเสริมสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นภายในใจมองวิเคราะห์สิ่งเหล่านั้นให้เข้าใจโดยถ่องแท้ ได้จนสามารถปล่อยวางอารมณ์ในบางขณะใได้ถ้าหากว่ายังยึดถือเป็นเราอยู่เป็นของเราอยู่ของเราก็มากอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าขันธ์ห้านั้นเป็นภาระหนักแต่บุคคลทั้งหลายก็ยังไปแบกขันธ์ห้าเอานั้นถ้าปล่อยวางขันธ์ห้าได้ก็จะเป็นสุขโดยมีข้อแม้ว่าไม่ไปแบกขันธ์ห้าเราอื่นขึ้นมาเอง คพานี้จะเห็นได้ว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่บางคนอาจจะปรงตกในส่วนตัวเองแต่เป็นห่วงลูกห่วงหลานห่วงเรนห่วงล้นห่วงอะไรต่อๆ่อต่ อ, ตอมอะไรขึ้นมาเป็นหวงของเราในชั้นต่างๆจ ง, งก็หมายความว่ามันปรงหาบหนึ่งเพียงห้าขันแต่ไปแบกอีกตั้งยี่สขบสามสิบันแทนที่จะเบาลงมันก็กลับหนักมากกิ่งขึ้น เพราะในแง่ของการควบคุมให้เป็นไปตามที่ตัวต้องการนั้นเราคุมตัวเองให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้มากกว่าที่จะคุมคนอื่นให้เป็นไปตามที่เราต้องการแลดังนั้นเมื่อไปแบกขาหาหลัาอื่นซึ่งเราคุมแก่ยากอยู่แล้วความทุกข์ก็จะมา ก, กิ่งขึ้นมันเหมือนกับการแบกหามเวลาที่เกิดพายุเกิดลมแรงคือสิ่งนั้นมันก็หนักอยู่ด้วย แล้วเกิดลมไปช่วซ้ำเติมเข้ามาด้วยเลยแข่งไปแข่งมากันใหญ่แม่จะทรงตัวก็ทรงตัวหยุดไม่ได้แต่ถ้าบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิพจน์ไปแล้วก็จะเห็นว่าความเห็นไปนเหตถือตัวถือตนนั้นบางครั้งก็ต้องปล่อยต้องวางได้อย่างน้อยที่สุดในลักษณะของอารมณ์จึงเคยกล่าวอยู่เสมอว่าปัญหาในเรือนใจที่เกี่ยวกับปรเมหารทั้งสี่ประการนั้น ที่เป็นปัญหามากที่สุดคือคนอุเบขาไม่เป็นถึงเวลานอนก็ไม่ยอมจะนอนสักทีหนึงแต่นั่งบนว่าอ่อนเพลียเสียสุขภาพจิตก็ไม่นอนในอย่างที่ควรนอนอุเบขานันคือการพักผ่อนการหลับนอนเพื่อยุติปัญหาต่างๆซึ่งเป็นอาการของปัญญาเป็นเครื่องปีนิดพิจารณาอุเบขาแปลว่าอุปาอิกข์คือเพ่งพินิดดูโดยเหตุโดยผล ดีใจก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียใจก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทำใจให้อยู่ด้วยกฎของกรรมธรรมะเหล่า น, นั้นก็เดิ น, นได้ที่จิตกิเลสไม่ใช้ปัญญาพิจารณาก็สงบได้ศีรพัตปรามาตมองกันในมุมกว้างๆกง็จะเข้าใจโดยเนื้อหาแห่งการปรฏิบัติเหล่านั้นจะมีความคิดในทางประนีประนอมไม่จะผูกมัดเอาไว้เฉพาะตัวเองเท่านั้นถูกต้องก็เดินไม่ถูกต้อง ความถูกต้องก็คือความถูกต้องในขณะที่คนอยู่ในขั้วโลกเหนือทําถูกต้องทําอย่างอย่างได้อย่างหนึ่งที่เรียกว่าถูกต้องอยู่ในขั้วโลกใต้มันก็ถูกต้องนไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเพราะความถูกต้องจริงๆนั้นมีอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองใครทําที่ใดก็ตามบางครั้งเราอาจจะดูในส่วนเหตุไม่ถูกแต่ดูในส่วนผลอาจจะถูกคล้ายๆกับการสร้างอาคารสถานที่ ใครจะเอาอะไรมาทํานั่งร้านก็ได้ต้องการมานั่งร้านใช้ก่อสร้างอาคารนั้นได้หรือไม่เมื่อใช้ได้อาคารนั้นก็สําเร็จขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เป็นอาคารเหมือนกันไม่ใช่ต้องทํากับเปล็กต้องทํากับไม้ไผ่ต้องทํากับไม้กับตัวไม้ต่างๆคือทํากับอะไรก็ได้แต่มาสร้างตึกได้ก็แล้วกันสร้างตึกได้ก็ชื่อว่าสําเร็จประโยชน์นี่ก็คือความคิดในลักษณะชีพมอง ไม่ให้ติดอยู่ในจุดแคบๆอย่างใดจักหนึ่งแต่มองด้วยปัญญาเป็นเครื่องปินิพจน์าอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงจําแนกประเภทของปัญญาว่ามองในแนวรวมกลุ่มได้คือมองกระบวนการเกิดดับของสิ่งเหล่านั้นได้แต่ในขณะเดียวกันก็มองในแนวที่แยกแยะออกไปจนย่อยไม่มีอะไรเหลือก็ได้เมื่อเข้าใจเหตุผลอย่างนี้ก็แก้ปัญหาเหล่านั้นได้เรื่องของราคา ค, ความกําหนัดก็หยุดกําหนดใช่บ้างให้กาหนดน้อยลงไปบ้าง และความซสงบก็จะเกิดขึ้นภายในใจโต๊ะาก็หยุดกําหนดหมา ย, ยาหยุดเอาเรื่องเอาราวในหลายเรื่องซึ่งบางที่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราหรือแม้แต่เกี่ยวก็สุดวิสัยยังเป็นห่วงเป็นใยถึงลกกูกจะอยู่ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ถึงเป็นอะไรเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้เอื้มไปแบกข้ามทวีปมันก็หนักไปนี่เป็นปัญหาที่บุคคลสามารถจะแก้ได้ไม่ต้องไปปรับข้างนอกไปปรับที่ใจตัวเอง ในด้านความไม่พอใจก็เหมือนกันตั้งใจเมตตาแผ่เมตตากันไปอดทนกันไปใจก็สงบเชือกเจ็นได้ในด้านของความหลงก็เสริมสร้างปัญญาเช่นเดียวกันในด้านมานะนั้นขอเพียงแต่ยอมรับนับถือสถานะของบุคคลอื่นไม่ชั่วูตัวเองเกินไปยอมรับนับถือบุคคลอื่นและเราจะพบความจริงประการนึ่งว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีใครที่จะดีกว่าใครด้วยประการทั้งปวง และไม่มีใครที่จะเลวกับคนอื่นด้วยประการทั้งปวงแต่ละคนแต่ละสิ่งนั้นมีความดีอยู่ในจุดของตัวเองที่ควรกแกการยกจ้องทั้งนั้นเมื่อเกิดความรู้ได้อย่างนี้ก็สามารถที่จะสร้างความสงบเย็นให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนได้ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อ